เ ป, เป็นที่รักเป็นที่พอใจก็อย่างว่านะรักข น, นาดไหนลูกก็ตายได้นะพอลูกตายแล้วครั้งนั้นอุบาสกมากด้วยกันเนี่ยนะมีผ้าชุ่มมีผมเปียกนะผ้าชุ่มผมเปียกไงเปียกบอนหมดเข้าไปวัดนะนะอย่างันหน้าสงกรานงั่นนะเนาะพอเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับไปเวลาเที่ยงด้วยถวายบังคมแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสถามอุบาสกนั้นว่า ดูก่อนอุบาสกทั้งหลายท่านทั้งหลายมีผ้าชุม่มมีผมเปียกเข้ามาในที่นี้ในเวลาเที่ยงเพราะเหตุไรเนออันที่จริงพระพุทธเจ้านี่รู้อยู่แล้วละแต่ก็ถามเพื่อเป็นอุบัติเหตุจะได้แสดงธรรมได้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามอย่างนี้แล้วอุบาสกนั้นก็ได้กลับทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าบุตรคนเดียวของข้าพระองค์ผู้เป็นที่รักเป็นที่พอใจทากาละแล้ว เพราะเหตุนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายจึงมีผ้าชุ่มมีผมเปียกเข้ามาในที่นี้ในเวลาเที่ยงะนะพระพุทธเจ้าก็คิดแบบพระพุทธเจ้าอีกตามเดิมใชมคือในเล่มนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกพระพุทธเจ้าไม่ได้อย่างอื่นหรอกพระองค์คิดแบบพระองค์อย่างเดียวนะพระองค์ไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงก็คิดไปแต่เนี่ยก็เรียกว่าเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าคิดแต่ปรารถถึงอะไรนะเรียนความรู้สึกนึกคิดของ พระพุทธเจ้าเนี่ยนะว่าพระองค์นี่คิดอะไรเมื่อรับเหตุการณ์แต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่พระองค์คิดอะไรอย่างนี้ได้ข่าวว่าลูกเขาตายแล้วพระองค์คิดอะไรอันนี้ใจจริงๆของพระองค์กันนะแต่ถ้าเป็นที่อื่นพระองค์ก็สอนไปอะไรไปอะไรแต่นี่รวบ ร, รวมเอาเฉพาะว่าเมื่อเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆแล้วพระพุทธเจ้าท่านคิดอะไรในฐานะที่ท่านเป็นาศาสดาของโลกเนะนี่ยนะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทงรงทราบเนื้อความนี้แล้วทรงเปล่งอุทานขึ้นในเวลานั้นดีใจมากเลยนะ อุทานเนี่ยแปลงด้วยอำนาจของความดีใจบางอย่างก็ด้วยอำนาจสังเวทใจใช่ไหมตรงนี้ดีใจมากเลยว่าหมู่เทวดาและมนุษย์เป็นจำนวนมากยินดีแล้วด้วยความเพลิดเพลินในปีรูปคือรูปอันเป็นที่รักถึงความทุกข์เสื่อมหมดแล้วจากสมบัติย่อมไปสู่อำนาจแห่งมัจจุราชหมายคะ ว, ว่าเพลิดเพลินลหลงไหลในวัตถุที่ตัวเองพอใจเพลินไปเพลินมาก็ตายนะเพลินจนตายอะ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 แล้วก็ลูกก็กําลังน่ารักกําลังน่าชมแล้วก็ลูกก็เป็นลูกที่ดีมากเลยนะมีโยมโยมคนหนึ่งก็มีลูกชายอยู่คนเดียวลูกเขาตายและเด็กคนนี้เป็นเด็กดีจริงๆด้วยนะกำลังเรียนอยู่ปวชีกําลังเรียนอยู่ปวชแล้วก็ขับรถเครื่องไปชนกันตายานะก็ไม่ได้ขับซิ่งอะไรเราก็ขับธรรมดาเนี่ยแต่ว่าไอ้ฝ่ายหนึ่งไม่ระวัง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 แต่ถ้าไม่เอาพระพิธรรมลงไปไว้งานศพนี่สงสัยศูนย์โยหาย 0, หมดเลี่ยงแล้วไม่เหลือแล้วพหลังจากที่เผาศพเกล็ด เ, เสร็จแล้วก็ลงอาบน้ำนุ่งห่มอยู่นั่นแหละหัวดำหัวบีบผ้ายังไม่ทันแห้งเลยนุ่งพื้นหนึ่งทำผ้าเวี่ยงบ่าพื้นหนึ่งให้อุบาศกนั้นนำหน้าคิดจะฟังทำะนะพระพุทธเจ้านี่แหละสามารถที่จะแสดงธรรมเพื่อบรรเทาความโศก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 ติดหมายถึงมีใจปฏิพัฒน์มีใจผูกพันในสภาวะอันเป็นที่รักมีรูปประขันเป็นต้นที่จริงรักรูปหรือรักความสุขที่เกิดจากรูปกันแน่อ่นนะพูดเต็มๆก็เอาทั้งสองอย่างนั่นแหละรูปก็รักแต่ที่รักมากก็คือความสุขที่เกิดจากรูปอันเป็นที่รักถ้ารูปนั้น่ะนะถึงว่าเออจะรูปดีขนาดไหนแต่ทำให้แต่ความเครียดนี่เอาไหม ไม่เอาใช่ไหมก็เนื่องจากว่ารูปเป็นต้นเหล่านั้นเนี่ยก่อให้เกิดความสุขนะก่อให้เกิดความสุขสุขนั้นเป็นกุศลอกุศลก็ตามเถอะแต่สรุปว่าถ้ารูปใดเป็นที่เป็นเหตุให้เกิดความสุขเนี่ยนะรูปอันนั้นเรียกว่าปิยรูปสาตารูปอะไรบ้างอะปิยรูปสาตารูปภายในตัวภายในภาพที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยตาเนี่ยเรารักที่สุดนนะได้ยินเสียงเนี่ยโลกทั้งหูทั้งหมดเนี่ยเรารักเสียงเราที่สุด รู้กลิ่นทั้งโลกเนี่ยเรารักจมูกที่สุดรู้รสเราก็ยังห่วงลิ้นอีกอยู่ดี น, นะรับกระทบเนี่ยนะอุณหภูมิขนาดไหนก็รักกายที่สุดเรื่องที่เราคิดถึงเนะี่เรารักใจเราที่สุดเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นปยรูปสาธรูปเป็นที่รักเป็นที่พอใจที่สุดเลยนะไอ้ที่เราไปดูอย่างอื่นดูให้มันมากมายจริงๆกับพ่อรักตานี่แหละยังให้ตามันได้ดูไปเยอะๆหน่อยอย่างนั้นอันนี้นี่พูดถึงภายในนะแต่ว่าภายนอกก็ไม่ใช่ไม่รักนะถ้าเทียบอย่างอื่นแนละ้วก็ ปียชนมีบุตรและภริยาเป็นต้นนะนะก็ยังรักก็ก็เพราะมีภายในนี่แหละก็เลยรักภายนอกไปด้วยรักบุตรรักภริยารักก็รักรักรไปเรื่อยเนี่ยก็เลยทำวัตถุเหล่านั้นให้เป็นที่รักเป็นที่เจริญใจดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสมุทัยสัจจะสมุทัยสัจจะในสติปทานสูตรสัจจะสัจจะบพะหรือใน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 จักขุะนะรู้อะไรนะตาหูจมูกลิ้นกายใจอรยตนะภายใน6รูปเสียงกลิ่นรสโพธะพระธรรมรม์วิญญาณหกภาษา6เวทนา6อะไรเวทนา6สัญญาหเจตนา6และตัณหา6จนถึงธรรมะตัณหาอันนี้ก็คือพูดแบบสมุทัยสัจจะเนี่ยนะสมุทัยสัจจะธรรมะ3ามหเนาะหรือ60ต้อง60สิเนาะธรรมะ60เนี่ยนะ อายัตนาภายใน6อายัตนะภายนอก6วิญญาณ6กภาษา6เวทนา6สัญญา6เจตนา6ตัญหา6วิตก6วิจาร6พวกนี้ถือว่าเป็นสิ่งเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกและถ้าเป็นพระสูตรอื่นๆก็บอกว่านระใดติดข้องในกามเป็นอันมากอะไรบ้างอะเป็นปีรูปสาตรูปนาที่นาที่สวนเงินเงินก็รวมถึงทองด้วยนะโคมาทาตชายทาตหญิง และพวกพ้องเป็นต้นก็อยังอื่นอีกเยอะนะเพราะเหตุนั้นผู้นั้นก็เลยติดสยบอธิบายว่าถูกต้องด้วยความยินดีในปียรูปสาตรูปเหล่านั้นคือติดใจในสิ่งเหล่านั้นชนเหล่านั้นถามว่าเหล่าไหนก็เหล่าผู้ติดข้องอยู่ในสภาวะเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเนี่ยน่ปียะแปลว่ารักรูปะแปลว่า สภาวะสภาวะเป็นที่รักสาตาแปลว่าเจริญใจเนี่ยเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจพวกไหนอะ่ะพวกเทวดาและมนุษย์นี่แหละอย่าว่ามนุษย์เลยเทวดาก็ไม่เบาเหมือนกันเทวดาไปจากไหนก็ไปจากมนุษย์เราเนี่แหละทำบุญมากๆก็ไปเกิดเป็นเทวดา <c oughs> ละอะไรในญาติที่เป็นมนุษย์ยไปติดญาติในเทวดาต่อไปอีก ก็คือพวกเทพเป็นอันมากมีเทพชั้นจาตุมมหาราชิกาเป็นต้นมนุษย์ชาวชมพูทวีปเป็นต้นผู้มีความทุกทางกายและทางใจปริชุนาเนี่ยนะหมายถึงว่าผู้เสื่อมจากสมบัติมีความเป็นหนุ่มเป็นสาวและความไม่มีโรคเป็นต้นเพราะวิบัติแห่งชาราและโรคเป็นต้นหมายถึว่าความหนุ่มสาวมีความชาราเป็นที่สุดสุขภาพดีมีความป่วยเป็นที่สุด น, นะนะดูแลยังไงก็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 และว่าเป็นผู้มีความเสื่อมเพราะอะไรเพราะมีการไม่พ้นจากทุกขนั้นเป็นสภาวะ <c oughs> ทุกของเทวดามเป็นยังไงเทวดาทุกไหมทุกทุกยังไงทุกเพราะปลุกพา น, นิมิต ร, รู้ว่าตัวจะตายในเดือดร้อนไหมเพราะเทวดาเนี่ยพออะไรผิวหนังเริ่มหมายคาะว่าถ้าเทวดาที่มีบุญนะเอาเอาพวกมีบุญจริงๆเลยเนี่ยเขาจะมีนิมิตว่าตัวจะตายแล้วคือเช่นผิวพรรณเนี่ยเศร้าหมองลงเหงื่อออกรักแร้ ดอกไม้ประจำตัวนี้เฉาลงเนี่ยนะอะไรไม่ยินดีในอาสนะเียว่าตรูแล้วเจ็ดวันเจ็ดวันแบบนับแบบมนุษย์นะพูดแบบเวลาเทวดาก็อีกไม่กี่ชั่วโมงตายแล้วหรือไม่กี่นาทีตัวเองจะตายแล้วยิ้มแป้เลยใช่ัหมมีคนที่ยิ้มก่อนจะตายอยู่คือพระโพธิสัตทวทานั้นน่ะโดยมากนะเพราะอะไรเพราะท่านดีใจเหตุผลที่หนึ่งจะได้ลงไปเจริญบา ร, รมีอีกสักที อีกกลุ่มหนึ่งก็คือพระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายใช่ไหมจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ดีใจแต่โดยมากเครียดทั้งนั้นเลยเพราะอะไรด้ยบางทีบางท่านเนี่ยรู้ด้วยเลยว่าตายจากเทวดาแล้วไปเกิดที่ไหนเนี่ยนะกนะ็ถ้าพวกมีบุญเยอะๆใช่ไม้มก็นึกถึงบุญแล้วไปต่อได้นะเปลี่ยนชั้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าพวกบุญไม่มากล่ ะ, ะยิ่งเห็นคตินิมิตปรากฏด้วยในใจหมายถึงอบายเป็นต้นแล้วก็เดือดร้อนนะ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 สรุปแล้วถ้ายังตัดฉันทราคาไม่ได้ก็จากคันสู่คันใช่ไหมจากคันสู่คันจากคันสู่คันจากคันนี้ไปขันไหนเนอะจากท้องสู่ท้องนะนะถ้าในท้องมนุษย์ค่อ ย, อยังชัวนนะ่วหน่อยนเป็นท้องอาบายนี่สิลำบากแต่ท้องมนุษย์ถ้าแม่ไม่รู้แม่เป็นเอชหรือเปล่าก็ไม่ทราบอก็เดือดร้ออีกแล้วนะแล้วถ้าแม่ไม่มีศีลเลยเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะ แล้วเป็นแม่ที่ยังไม่อยากได้ลูกด้วยแต่โอ้คิดแล้วเศร้าเลยนะเพราะนั้นยอมไม่อย่ามาเป็นมนุษย์เลยแเราลําบากแน่แล้วพ่อแม่ที่มีศีลก็ไม่ค่อยมีลูกด้วยพวกมีศีลก็ไม่มีลูกอีกก็ยุ่งอย่างนี้แหละทีนี้พระองค์ก็แสดงวิวัตต์บ้างนะวิวัตต์ก็คือเยเวทิวาจรรโตจะอปปามตาที่วาก็คือกลางวันใช่ไหม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 นั่งกับเดินเนี่ยสลับกันไปเนี่ยนะเพื่อชำระนิวรก็ต้องมีกรรมฐานอยู่แล้วชหันติปิยรูปังที่แปลว่าละปิยรูปสาตรูปเนี่ยนะคือให้ขวนขวายกรรมฐานภาวนาอันสัมปยุต ด, ด้วยสัจจะสี่มันเจริญกรรมฐานที่ที่เป็นอริยสัจสี่เนี่ยนะละปิยรูป น, นะคือปิยวัตุมีจักขู่ปสาทเป็นต้น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 ที่ตาเนี่ยนะละละในทีนี้ละอะไรก็ละฉันธราคาละด้วยตะทางข้าประหารวิขมพนาประหารจนถึงละด้วยสมุทเฉท่าประหารถ้าอริยมรรคเกิดขึ้นทำปริญญาในตาเป็นต้นเรียบร้อยแล้วก็ตัดฉันธราคาได้หมดเลยบทว่าเตเวขนันติอาฆมูมลังมัจจุโนอามิสังธุรติวัตังความว่าพระอริยบุคคลเหล่านั้นใช้จบเนี่ยนะ ขุดยังกระขุดญ่าเลยนะคืออริยมรรคขยานเนี่ยขุดตันหาพร้อมกับอวิชชาอันเป็นมูลรากแห่งทุกรากของวัตตะเนี่ยนะรากใหญ่ๆเลยมีสองรากคือตันหากับอวิชชามูลรากแห่งทุกขรากทุกทุกคือวัตตะทุกอนนะัทุกในวัตตะในภูมิสามวัตตะในภูมิสามนี่แหละเป็นเหยื่อคืออมิตรอมิตรนี่แปลว่าเหยื่อเพราะมัจจุ ค, คือมรณะจับต้องอ น, นะ เพราะมีว่ตายไหนบ้างที่ไม่ตายมีไหมะะนั้นก็เลยถือว่าเป็นเหยื่อของมัจจุราชโดยปกติเป็นสิ่งที่ล่วงได้ยากเพราะสมณะพรามหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งนอกศาสนานี้ไม่อาจกลับได้คือไม่สามารถถอนรากไม่ให้เหลือหลงได้เล ย, ยนะนะคนนอกศาสนาไม่ใช่ฐานะที่จะถอนตัณหาตับถอนอวิชชาได้เพราะตัณหาถอนด้วยสมถะ อวิชชาถอนด้วยวิปัสนาถอนจริงๆขณะที่สมถาวิปัสนาควบคู่กันไปคนที่เจริญสมถาวิปัสนาอย่างถูกต้องเพียงได้ยินยังได้ยินยากจะกล่าวไปยายถึงผู้ปฏิบัติตามนั้นจริงๆเพราะข้อปฏิบัติที่ชอบข้อปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างไรก็ต้องเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อแทงตลอด อริยสัจเนี่ยนะมันข้อปฏิบัติถ้าไม่ได้เป็นไปเพื่อแทงตลอดอริยสัจอย่างไรก็ไม่สามารถถอนตันหาได้จริงๆส่วนข้อที่บอกว่าปฏิบัติในข้อปฏิบัติที่เรียกว่าอัปปมาธาปฏิปทานเนี่ยนะก็ยกข้อความในคาถาธรรมบทสามาวดีวัตถุคือเรื่องนางสามาวดีว่าอัปปมาโทอมตะังประทังปมาโทมัจจุโนปทังอั ป, ปมัตตานะมียันติเยปมัตตายถามตา ความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายไม่ประมาทเนี่ยนะหมายถึงเจริญอริยมรคมีองค์แปดอริยมรคมีองค์แปดนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานคำว่าไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายนี่หมายความว่ามรตแปดเนี่ยเป็นทางแห่งพระนิพพานมันะถ้าเจริญตามมรตแ8ดโดยมีสติเป็นต้นเนี่ยก็ไม่ตายเพราะเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมะที่ไม่ตายความประมาทเป็นทางแห่งความตาย